بسم الله الرحمن الرحيم ت س ج ل ا ت ابن خطاب الإسلامية بالدمام تواصل معك أخي الكريم المصحف الشريف ل ل أ خ سعد الغامر الشريف الثالث ويحتوي على صورة النساء بودسي ب و ا أ ن i ا ء ب و ا أ ن i ا ل بود م د ن ي ه ถูกประทานลงมาหลังจากที่ดา น, นาบีได้อพยพไปอยู่ที่นครมานีนะมีทั้งหมด176โอกาสเั็นบทที่ประกอบไปด้วยบรรยัติต่างๆที่เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตของมุสลิมทั้งที่เกี่ยวกับมุสลิมเองและที่เกี่ยวกับคนต่างาศาสนกในบทนี้ได้พูดถึงเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับสตรีบ้านครบครัรวสังคมและประเทศ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 และการประสานจิตใจของชายและหญิงสิทธิของสามีที่มีต่อพันยาและสิทธิของพันยาที่มีต่อสามีแนวทางในการสร้างสรรค์ชีวิตครอบครัวส่วนในด้านสังคมนั้นพระองค์ทรงชใช้ทำความดีอยู่ทุกขณะโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความเห็นอกแข็นใจกันแนะนำตัดเปลือกและให้อภัยซึ่งกันและกัน มีความไว้เนื้อเชื่อใจเสมอภาคและยุติธรรมซึ่งจะทำให้สังคมสงบสุขสันติและเจริญกา้าวหนในบทนี้ยังได้พูดถึงความสันติความมั่นคงภายในและภายนอกซึ่งจะทำให้ประชาชนนั้นมีความสุขสงบสันติได้ระบุถึงพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างอุสลิมกับประเทศอื่นได้แจ้งให้ทราบถึงการเตรียมพร้อม เพื่อป้องกันศัตรูโบยระบุถึงเลขกลต่างๆของศัตรูให้ทราบชี้อเห็นถึงอันตรายต่างๆของชาวคัมภีโดยเฉพาะจากชาวยะฮวีและจบด้วยการแจ้งให้ทราบถึงความเชื่อถือที่นอกลู่นอกทางของพวกนาโซรที่เชื่อว่านบีซาเป็นพระเจ้าและแนวความคิดที่เลวไหลของพวกเขา ด้วยพระนามของ Allah ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอยาอเยห์นัสตَกูรับบคุมุลลี่ خلق คุมมินัพซีว้าหิดคุมวัَรักก์มินฮาซูจ์ฮะ زوج ด้วยพระนามของลล l a h ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอโอ้มนุษย์ทั้งหลาย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 และจงอย่าเปลี่ยนเอาของมัเลวด้วยของดีและจงอยากินทรัพ <amino> ย์ของพวกเขาร่วมกับทรัพย์ของพวกเจ้าแท้จริงมันเป็นบาปมหันว่าะอินคิตตุมอัลลาตุซิกูฟิลยตามาฟิฮูมากาบลัคุมมินันนิซาอมะฟนาวะธะลาทวะรบา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 ก็จงแต่งงานกับหญิงเดียวหรือไม่ก็หญิงที่มือขวาของพวกเจ้าพร้ อ, รอมอยู่อย่างกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่ใกล้ ย, ยิ่งกว่าในการที่พวกเจ้าจะไม่ละเอียด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 ا أ และจงอย่าให้แก่บรรดาผู้ที่โงกเขาซึ่งทรัพย์ของพวกเจ้าเที่ยวลอทรงให้เป็นสิ่งค้ำจุมแก่พวกเจ้า และจงให้ปัจจัยยังชี้และเคร่งนุ่งห่มแก่พวกเขาในสรัก์นั้นและจงพูดจาแก่พวกเขาด้วยคำพูดที่ดี ولا تأكلها إسرافاً وبداراً أي يكبروا وما كان غنياً فليستعفف و م ن كان ف ق ي ر ا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهد عليهم وكفى بالله حسناً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 ก็จงปันส่วนหนึいい่งจากสิ่งนั้นให้เป็นปัจจัยยัางยิพแก่พวกเขาและจงพูดกับพวกเขาด้วยคำพูดที่ดี และจงเอาใจใส่บรรดาผู้ที่หักพวกเขาละทิ้งลูกๆที่ยังป่อนแออยู่ไว้เบื้องหลังของพวกเขาซึ่งพวกเขากลัวว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นแ ก, ลก่ลูกๆของพวกเขานั้นพวกเขาจงเกรงกลัวเอาล้อเถอิดแต่จงกล่าววาจาอย่างเที่ยงตรงไม่ละเบียด อินนั้นที่ไม่กิน์สินอด็กกาําด้วยความชัตวอินนั้นไม่ ก, กินในท้องของพวกเข า, ตาแต่จะเข้าสู่เป ล, เล่งเผือก لذكر مثل حظ ا ل أ ُ و ل َ ك َ ي ن َ فإن كُنَّ لِسَاءَ ث ُ و ق َ ث ْ ن َ ت َ ي ن ِ فَلَهُمْ ثُلُثَ مَا تَرَكَ و َ إ ِ كَانَتْ وَاحِدَةً ف َ ل َ ه ُ ا َ ن ِ ص ْ ف و َ ل ِ أ َ ب َ و َ ي ْ ن لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُ م َ س ّ د ُ س ُ مِمَّا تَرَكَ إ ِ ن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد و ص ي ة ه يوصي بها أودي ن أباؤكم وأبناؤ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 พวกนางก็จะได้สองในสามของสิ่งที่เขาได้ทิ้งไว้และถ้าลูกเป็นหญิงคนเดียวนางก็จะได้ครึ่งและสาหรับบิดามารดาของเขานั้นแต่ละคนในทั้งสองนั้นจะได้หนึ่งใน6กจากสิ่งที่เขาได้ทิ้งไว้หากเขามีบุตรแต่ถ้าเขาไม่มีบุตรและมีบิดามารดาของเขาเท่านั้นที่รับมรดกของเขา มารดาของเขาก็จะรับหนึ่งในสามถ้าเขามีพี่น้องหลายคนมารดาของเขาก็จะได้รับหนึ่งในหกทั้งนี้หลังจากที่พินในกรรมที่เขาได้สั่งเสียมันไว้หรือหลังจากนี่สิบรรดาบิดาของพวกเจ้าและลูกๆของพวกเจ้านั้นพวกเจ้าไม่รู้ดอกหรอว่าฝ่ายไหนในพวกเขานั้นเป็นผู้ที่มีคุณประโยชน์แก่พวกเจ้า กลก้กันทั้งนี้เป็นบัญญัติที่มาจากอัลลอฮ์แท้จริงอัลลอ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปริชาญวัละกุมมิซุมาทัรท ز ว ا ج ุกุมอิลลัมย์คุลละหุนนวลดอฟัยน์แคนละหุนาวลดุนทลกุมอัลรดูมิมมะทัรท์ من قاعد وصيتك وصيل بها أودين ولهم الضبع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ف إ ِ ا كان لكم ولد فلهم الثمل مما تركتم من بعد وصية توصل بها أوزين وإن كان رجلا يورث ك ل ا ل ً أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث มิ่ง بعد มรดกที่ยื่นฮาให้หรือไม่หรือมิ่งมีมรดกที่ยื่นมลให้หรือีมุ่แต่สำหรับพวกเจ้านั้นจะได้รับครึ่งหนึ่งของสิ่งที่บรรดาปัญญาของพวกเจ้าได้ทิ้งไว้หากมิปรากฏว่าพวกนางมีบุตรแต่ถ้าพวกนางมีบุตร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 ท้งนี้หลังจากพี่นายกรรมที่พวกเจ้าสั่งเสียไว้หรือหลังจากนี่สินและถ้ามีชายคนหนึ่งหรือหญิงคนหนึ่งถูกรับมรดกในฐานะที่ไม่มีบิดาและบุแต่เขามีพี่ชายหรือน้องชายคนหนึ่งหรือพี่สาวหรือน้องสาวคนหนึ่งแต่และคนจากสองคนนั้นจะได้รับหนึ่งในหกแต่ถ้าพี่น้องของเขามีมากกว่านั้น พวกเขาก็จะเป็นผู้รับร่วมกันหนึ่งในสามทางนี้หลังจากที่พี่นยกรรมที่ถูกสั่งเสียไว้หรือหลังจากนี่สินงโดยนิํนำมาซึ่งผลร้ายใดๆเป็นคำสั่งที่มาจากอาลัลละ์และอลัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงหนักเน่นจิลกับขั้ดุลลอ วเ ن น يطيع الله ورسوله يدخله ج, ت ت ج ن ا تجري ت من تحتها الأنهاض ج ن ا تجري ت من تحتها الأنهاض خالدين فيها وذلك الفوز العظيم الع าวนั่นแหละคือขอบเขตของอัลลอฮ์และผู้ใดที่เชื่อฟังอัลลอฮ์ และรอสูงของพระองค์แล้วพระองค์ก็จะทรงให้พวกเขาเข้าสวนสวรรค์ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายหลาย่านอยู่เบื้องล่างโดยที่พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล น, นั่นคือชัยชนะอันยิ่งใหญ่ น و و และผู้ใดฝ่าฝืนอลัลลอฮและรอซูนของโพรงและและเมิดขอบเขตของโพรงแล้วไซโพรงก็จะส่งให้พวกเขาเข้านรกโดยที่พวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาลและเขาจะได้รับการลงโทษอย่างอัปยศ والتي يأتين الفاحشة من ل ن س ا ئ ك م فاستشهدوا ع ل ي ه ن ا أ ض ع ة م منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى ي ت و ف ّ ه ن الموت أو يجعل الله لهم سبيلا. بنداء ب ي كراثم س ن ل ا م و ك จาก ناموسبري، و و ك ج ا و ن ا จงให้มีพยานสี่คนจากในหมู่ของพวกเจ้ายือนอยันนางเหล่านั้นถ้าพวกเขายือนอยันแล้วก็จงกักขังนางเหล่านั้นไว้ในบ้านจนกว่าความตายจะฆ่าพวกนางหรือไม่เอาล็อะจะทรงให้มีทานหนึ่งสำหรับพวก น, นวัน้น ชายสองคนในหู่ของพวกเจ้าที่กระทำกาหลานพวกเจ้าจงลงโทษพวกเขาทั้งสองคนหากทั้งสองสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวและปรับปรุงแก้ไขแล้ว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 قال إ ن ي تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار و ل ئ ك ع ت د ن ا لهم عذابا ل ي م ا การสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวที่อัลลอฮจะส่งรับนั้นไม่ใช่สำหรับบรรดาผู้ที่กระทาความชั่วต่างๆจนกระทั่งเมื่อความตายได้มาอย่างคนหนึ่ง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 يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ت ر ك ل نساء كرها ولا تعذلهم و ل ت ذ ه ب و ا ببعض ما آتيتمهن و إلا ا أن يأتين بفاحشة مبينة ว ا า ش ر ่อ ب ุ المعروف فإنكرهتمهنفعساءتكره شيئافعساءتكره شيئاو يجعل الله فيه خيرا كثيرا أبو سهات <ص> ัง <في> ไ <ق> ล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 และถ้าหาพวกเจ้าต้องการเปลี่ยนคู่ครองคนหนึ่งแทนคู่ครองอีกคนหนึ่งและพวกเจ้าให้แก่นางหนึ่งในหมู่พวกนาง น, นั้นซึ่งทรัพย์อันมากมายก็ตาม ก็จงอย่าได้เอาสิ่งใดจากทรัพนั้นคือพวกเจ้าจเจ้ามันคืนด้วยการอุปโลกความเพียและกระทําบาปอันชัดเจนกระนั้นหรนือและพวกเจ้าจเจ้ามันคืนได้อย่างไรทั้งทั้งที่บางคนในบูของพวก เจ้าได้แนบกายกับอีกบางคนแล้วและพวกนางก็ได้เอาคำมั่นสัญญาอันหนักแน่นจากพวกเจ้าแล้วดูนะ และจงอย่าแต่งงานกับบรรดาหญิงที่บิดาของเจ้าได้แต่งงานกับนามมาแล้วนอกจากที่ได้ผ่านพ้นมาเท่านั้นแท้จริงมันเป็นสิ่งลาโมและน่าเกลียดยิ่งและเป็นวิธีทางที่ชั่ว و َ ب َ ن َ ا ت ُ الْأَخِ و َ ب َ ن َ ا ت ُ الْأُخْتِ و َ أ ُ م ْ م ه َ ا ت ُ ك ُ م ُ الَّتِي أَضَعْنَكُمْ و َ أ َ خ َ و َ ا ت ُ ك ُ م ْ مِنَ ا ل ْ ض َّ ض َ ا ع ِ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الْضَّعَاعِ و َ أ ُ م م َ ه َ ا ت ُ ن ِ س َ ا ئ ِ ك ُ م ْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمْ من ن س ا ِ ك م التي دخلت بهم، فإلّم ت ك و ل و ا دخلت ب ه ن فلا جناح عليكم وحلا ِ ل ُ أبنائكم الذين من أصلابكم وأن، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف.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 وأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُم ْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْر مُسَافِحِينَ فَمَسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ف َ آ ن ت ُ ه ُ ن َّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَة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 والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض ف ا ن ك ح و ه ن ب إ ذ ن أهلهن وأتوهن أجورهن بالمعروف بالمعروف محصلات غير مسافحات ولا متخذات أقدام فإذا أحسن فإن أتيلا بفاحشة فعليهم نص ما على المصلات من العذاب ذلك لمن خ ش ي العنت منكم وأن تصبر و ا خير لكم والله غفور رحيم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 ได้รับสำหรับผู้ที่ในมูลพวกเจ้ากลัวการทำชั่วและการที่พวกเจ้าปดกลั้นไว้ได้นั้นเป็นการดีกว่าสำหรับพวกเจ้าและอลัลลอ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมออยู่ดีดยลลอฮ์ที่เบญญแล้วคุมวะบีญคุมสุนนัล้วเด่นในคุณแยะทูบะอัลัยคุมแอัลลอฮ์อัลีมุษกิม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 ูดงปริชายายแล้วเราส่งประสงค์ที่จะรับการอภัยโทษแก่พวกเจ้าและบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามความไถ่นั้นประสงค์ที่จะให้พวกเจ้าเองนเพียงออกไปอยางมากมาย อั ا เอฮ์ทรงประสงค์ที่จะผ่อนผันให้แ <much> ก <documentation> ่พวกเจ้าแต่มนุษย์นั้นถูกบังคับเกิดขึ้นในสภาพที่อ่อนแอย َا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ت ت อ้อผู้มรัทธาทั้งหลายจงอย่ากินทรัพย์ของพวกเจ้าในระหว่างพวกเจ้าโดยวิชอง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 และถ้าผู้ใดกระทำเช่นนั้นโดยละเมิดและอาจทำแล้วเราก็จะให้เขาเข้านารกและนั่นเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับอัจจบบอลอลอฮฺหากพวกเจ้าปลีบตัวออกห่างจากบรรดาบาปใหญ่ๆ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 สำหรับผู้ชายนั้นมีส่วนได้รับจากสิ่งที่พวกเขาได้ขนถวายไว้และสำหรับหญิงนั้นก็มีส่วนได้รับจากสิ่งที่พวกนางได้ขนถวายไว้และพวกเจ้าจงขอต่ออัลลอฮ์จากความกรุณาของพระรงองค์เถิดถ้าจริงอัลลอฮ์นั้น <تصفيق> ولكل م راب روتو جعلنا مواذي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم ف آ ت و ه م نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. لا سمرت على ا ل เราได้มีผู้รับมรดกจากสิ่งที่ผู้บังเกิดกล้าวทั้งสองและญาตที่ใกล้ชิดได้ทิ้งไว้และบรรดาผู้ที่มือขวาของพวกเจ้าได้ตกลงไว้นั้นก็จงให้แก่พวกเขาซึ่งส่วนได้ของพวกเขาแท้จริงอัลลอฮ์ทรงเป็นพยานทอทุกสิ่ง الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعضه وبما أفقوا من أموالهم الصالحات قالتان حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن مفعضون وهرجوهن ج في المضاجع وضربون فإن أطعناكم فلا ت ب غ و عليه عل ب ا عليهم نسبيلا إن الله كان عليا كبيرا บรรดาชายนั้นคือผู้ที่ทำหน้าที่ปกครองเลี้ยงดูบรรดาหญิง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 และท่อทิ้งนางไว้แต่ละาฝั่ในที่นอนและจงเขียนนานแต่ถ้านางเชื่อฟังพวกเจ้าก็จงอย่าหาทางเอาเรื่องแก่นานแค่จริงอันละเป็นผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงเพียงกับว่อินคิดทุมชิกาตใบในิฮมาธรรรฐหกมัมมินอหลิฮีว่อภาคมัมมินอหลิฮา อหรีดาอิสลามให้ وافق อัลลอฮฺบียน ه มาอินนัลลาาอฮฺแา่นั้นัลิมันขดีราระหาพวกเจ้าหวนเกรงการแตกแยกระหว่างเขาทั้งสองก็จงส่งผู้ตัดสินคนหนึ่งจากครอบครัวของฝ่ายชายและผู้ตัดสินกี่คนหนึ่งจากครอบครัวของฝ่ายหญิง หากทั้งสองปรารถนาให้มีการประนีประนอมกันแล้วอลัลลอ์ก็จะส่งให้ความสำเร็จในระหว่างทั้งสองแท้จริงอลัลลอ์เป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงเชี่ยวชวาอบบุดุดลลวชชริกูฮญ وبالوالدين إ ح س ا ن ا وبدالقربه واليتامى والمساكين والجار بالقرب والجار الجنوب والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب وبنال سبيل وما ملكت أ ي م ا ن ك م อินนัลลอฮะลายูฮบมะลคาลมุขเาลฟะฮูรอละจงเคารพพระดีต่อล้เอเถิดละจงอย่าให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นการพาขีกับพระองค์ละจงทำดีต่อบิดามารดาและต่อผู้ที่เป็นญาติใกล้ชิดและเด็กกำพรา้าและผู้ขัดสนและเพื่อนบ้านใกล้เคียงและเพื่อนบ้านที่หา่างไกล และเพื่อนเคียงข้างและผู้เดินทางและผู้ที่มือขวาของพวกเจ้าครอบครองถ้าจริงเราไม่สงชอบผู้ยโสผู้โอ้วัล บรรดาผู้ที่ตรณีและใช้ผู้คนให้ตรณีและปกปิดสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานให้แก่พวกเขาจากความปรุณานของพระองค์นั้นเราได้เตรียมไว้แล้วซึ่งการลงโทษที่อัพยศแก่ผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายวัลลัลนิยุนฟุกูนอมวาลฮุมริอานนัสวะลาญมินูลบิลลาฮวะลาบิลยูมิลาคิด วันนีนาานนน้จะเป็นชัยชนะของพวกเขาเพื่อโอ้อวดผู้คนและพวกเขาก็ไม่ศรัทธาตอลอดและไม่ศรัทธาตวันประโลกนั้นแน่นอนพวกเขาจะอยู่ในนรกตลอดกาลและผู้ใดที่มีชัยตอนเป็นเพื่อนเขา มันก็เป็นเพื่อนที่แสเนเลยวอะไรที่เกิดขึ้นแก่พวกเขาหากพวกเขาสักขาต่อรอและวันก่อโลกและได้บริจาคส่วนหนึ่งจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้เป็นปัจจัยยั่งชีพแก่พวกเขา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 และจะทรงประธานรางวัลอันใหญ่หลวงให้จากที่พ ร, พรมแล้วอย่างไรเล่าเมื่อเรานำพยานคนหนึ่งจากแต่ละประชาชาติมา แล้้้วเเเเราาาาาาไดนนนจามาป็พยต่อชีนในวันนั้นบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและดื้อดึงต่อรอซูลหากว่าแผ่นดินถูกให้ทับถมพวกเขาจนราบเรียก วกเขาไม่อาจจะปิดบังคำพูดใดๆแก้อลได้ัย أيها الذين آمنوا لا تترضوا الصلاة وأنتم سكار حتى تعلموا ما تقولون حتى تعلموا ما تقولون ولا ج و ب ا إلا عابر سبيل حتى تغتسنو وَإِلَكُمْ مَظَاعِ أَوْ عَلَى س َ ك َ ر ٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ مِسَاءً فَلَمْ تَجِدُ مَا ฟะลัมเจดูมาทตย์มมุซัยดัน طيب ันแอมสัพุบิวจูุหกุมเวอดีกุมอินนัลลอฮะคาลัฟุอัลหมุฟุราโอ้ผู้ศัทธาทั้งหลายจงอย่าเข้าใกล้การละหมาดขณะที่พวกเจ้ากำลังมึนเมาู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 หรือพวกเจ้าสัมผัสมีเพศสัมพันธ์กับปัญญาแต่พวกเจ้าไม่พบน้ำก็จงทำตะยม ม, มุงด้วยดินที่ดีแล้วจงลูบใบหน้าของพวกเจ้าและมือของพวกเจ้าแท้จริงอลัลลอฮเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงยกโทษเสมอ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 والله أعلم بأعداءكم وكفّى بالله ولي يوم وكفّى بالله نصير. อัลลอนั้นทรงรู้ดียิ่งต่อบรรดาศัตรูของพวกเจ้าและพอเพียงแล้วที่อัลลอฮ์ทรงเป็นผู้คุ้มครองและเพียงพอแล้วที่อัลลอฮ์ทรงเป็นผู้ช่วย من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا وسمع غير م س ْ م ي وراعنا ل ي َ م بألسنتهم وطعن ا في الدين. َلَوْ قَالُواْ وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ أَنَّهُمْ لَهُمْ لَعَنَهُمُ سَمِعْنَا จะบางคนในหมู่ผู้เป็นยิวนั้นพวกเขาบิดเบือนถ้คำให้เหาออกจากที่ของมัน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 และเทียงตรงกว่าแต่เว่าอัลลอฮ์ได้ทรงสาบแช่งพวกเขาเสียแล้วเนื่องโดยการปฏิเสธศรัทธาของพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงไม่ศรัทธากันนอกจากเพียงเล็กน้อยเท่านั้นยาอิฮัลล์บีนอูตุลคิทาบอามินูบิมาเนซลนามุัดดิขัลลิมามะกุมมินคับล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 ก่อนที่เราจะลบใบหน้าของพวกเขาแล้วมันกลับไปอยู่ข้างหลังของมันหรือไม่ก็จะสา พ, พวกเขาเช่นเดียวกับที่เราได้สาบรรดาผู้ที่ทำการละเมิดในวันเสาร์และคำสั่งของร อ, อนั้นย่อมถูกปฏิบัติตามเสมออินนัลลอฮ์ลายะอฟิราอยุชรักบิฮิวย่กฟิรมาดูนดาลิคลิมันยเชา วหากที่เราจะไม่ส่งอภัยโทษให้การที่ให้มีภาทีขึ้นแก่พระองค์และพระองค์จะส่งอภัยให้แก่สิ่งอื่นนอกเหนือจากนั้นสำหรับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และผู้ใดให้มีภาทีขึ้นแก่อาล้อนแล้ว แน่นอนเขาก็ได้กุปรลลกบาปกรรมอันใหญ่หวงขึ้นอลัมรบอิลลลลยุซกคฟุสฮุมบัลลิลุซักิมัยยะชาอูวะลาุฎลามฟลามุฮัมมัดมิได้มองดูบรรดาผู้ที่ทำให้ตัวเองบริสุทธิ์ดอกหรือมิได้อลลอตตังหากหรือ ที่จะทำให้ผู้ที่โปรงทรงประสงค์บริสุทธิ์และพวกเขาจะไม่ถูกอาธรรมแม้เพียงขนาดร่องมเมล็ดอินทพ ล, ลักจงดูเถิดว่าอย่างไรเล่าที่พวกเขาอุปโลกความเท็จให้แก่วรา และพอเพียงแล้วที่ความเท็จนั้นเป็นบาปอันชัดแจ้ง ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيله <نا> เจ้ามุฮัมมัดมิ่ได้มองดูบรรดาผู้ที่รับส่วนหนึ่งจากคำพีดอกเบี้โดยที่พวกเขาศรัทธาต่ออันยิตตีและอัตต้วด์และกล่าวแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาว่า พวกเขาเหล่านี้แหละเป็นผู้ที่อยู่ในทางที่เที่ยงตรงกว่าบรรดาผู้ที่สถาทั้งหลายอลาอิจัลลั ล, ะ ล, ะลีลละเลนะฮฺมุลลฮวะมิยลเลานิลลาฟะลนทเจดละนซีร่ชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่อัลลอฮได้ทรงสาบแช่งพวกเขาและผู้ใดที่อัลลอฮฺทรงสาบแช่งพวกเขาแล้ว เจ้าจะไม่พบว่ามีผู้ช่อและใดๆสำหรับเขาเลยหรือว่าพวกเขามีส่วนได้ใดๆจากอำนาจดังนั้นพวกเขาก็จะไม่ให้แก่คนอื่น แม้เพียงจุดบนมเมล็ดอินทพลาพ จากความกรุณาของพระอถ้าจริงนั้นเราได้ประทานให้แก่วงวานอิบรอยมาแล้วซึ่งคำพีและความรู้เกี่ยวกับศาสนาและได้ทรงให้แก่พวกเขาซึ่งอำนาจอันยิ่งใหญ่แล้วในหมู่พวกเขามีผู้ที่ศรัทธาต่อเขา และในหมู die die, dinheiro, ่พวกเขามีพูดที่ขัดขวางเขาและเพียงพอแล้วที่นรกยันนำมีเปลวเพลิงอันโทษชั่วอิลล์ลล์ดีลักฟารูบีอ้ายติน่าซูฟนุสลิห์มนะราะซูฟนุสลิห์มนَรันคุลล์ม ج ณัฎจ์จุลุดุห์บัดด์ล์นะห์มจุลุดัน غير ฮาลียะดุคุลอาดับ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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا. และบรรดาผูธิี่ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายนั้นเราจะให้พวกเขาเข้าสวนสวรรค์ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลยอยู่เบื้องล่างนั้นโดยที่พวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาลซึ่งในนั้นพวกเขาจะได้รับครุ่ครองที่บริสุทธิ์ <ت government> <تصفيق> إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكمت م بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله لعم ما يعظكم به. อัลลอฮกนซรฺทรงใช้พวกเจ้าให้มอบคืนของฝากแก่เจ้าของของมันและเมื่อพวกเจ้าตัดสินระห ว, ว่างผู้คนพวกเจ้าก็จะต้องตัดสินด้วยความยุติธรรมแท้ทจริงอลัลลอฮฺทรงแนะนำพวกเจ้าด้วยสิ่งที่ดีๆแท้จริงอลัลลอฮเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็น يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر โอ้ผู้สภาทั้งหลายจงเชื่อฟังอัลลอฮ์และเชื่อฟังรอซูลเถิดและผู้ปกครองขอพวกเจ้าด้วยแต่ถ้าพวกเจ้าขัดแย้งกันในสิ่งใดก็จงนำสิ่งนั้นกลับไปยังอัลลอฮ์และรอซูลหาพวกเจ้าสภาต่ออัลลอฮ์และวันพะโรโลกนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดียิ่ง أَلَمْ ت ر َ إلَى الَّذِينَ ي َ ز ُْ م ُ و ن َ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ ي ر ي د و ن َ أ َ ي ي َ ت َ ح َ ك َ م ُ و ا إلَى ا ل ط َّ غ َ و ِ وَقَدْ أُمِرُوا أ َ ي َ يَكْفُرُوا بِهِ อูริดดชันนล ล, ล้วไจะไม่ได้มองดูบรรดาผู้ที่อ้างตนว่าพวกเขาศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่เจ้าและสิ่งที่ถูกประทานลงมาผ่อนเจ้าดต่อไปโดยที่เขาเหล่านั้นต้องการที่จะให้การแก่อัปโตฮูดทั้งๆั้ที่พวกเขาถูกใช้ให้ปฏิเสธมันและใายตอนนั้นต้องการที่จะให้พวกเขา หลงงทางอันไะเมื่อถูกกล่าวแก่พวกเขาว่าพวกเจ้าจงมายังสิ่งที่อัลลอ์ได้ประทานลงมาและยังหลอสูญเถิดเจ้าก็จะได้เห็นพวกกลับกรอกเหล่านั้นผินหลังให้แก่เจ้าจริง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 ลอชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่ยล้อทรงทร า, าบดีถึงสิ่งที่อยู่ในวิจัยของพวกเขาดังนั้นเจ้าจงขินหลังให้แก่พวกเขาและจงตับเตือนพวกเขาและจงกล่าวแก่พวกเขาถึงเรื่องที่เกี่ยวกับตัวของพวกเขาด้วยจำนวนที่กินใจ و َ م َ ا أ َْ س َ ل ْ ن َ ا مِنَ ا ر َّ س ُ و ل ٍ إلَّا ِ لِيُطَاعَ بِإِبْنِ اللَّهِ وَلَوَأَنَّهُمْ ي َ ظ ْ ل َ م ُ و ن أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَفَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْجَدُ اللَّهَ ت َ و َ ا ب ً ا رَحِيمًا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 ؤمنون ح ج ضيت ไม่ใช่แค่นั้นดอกหรือขอสาบาลต่อพระผู้บานของเจ้าว่าเขาเหล่านั้นจะยังไม่ศรัทธาจนกว่าพวกเขา จเจ้าตัดสินในสิ่งที่ขัดแยงระหว่างพวกเขาแล้วพวกเขาก็จะไม่คบความทับ อ, อกขับใจใดๆในจิตใจของพวกเขาจากสิ่งที่เจ้าได้ตัดสินไปและพวกเขาก็ยอมจำนน ไ, ได้ดีว่วนนาแล้วอันกระเจ็บนาา่า عليهم أن قتلو أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم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 และหากว่าพวกเขาได้กระทำตามสิ่งที่ได้รับคาแนะนำแล้วแน่นอนนั่นก็เป็นสิ่งที่ดียิ่งแก่พวกเขาและเป็นสิ่งที่ทำให้มั่นคงยิ่งและถ้าเช่นนั้นแล้วแน่นอนเราก็จะให้แก่พวกเขาซึ่งรางวัลอันใหญ่หลวงจากที่เราหนี และแน่นอนเราก็จะที่นำให้แก่พวกเขาซึ่งทางอันที่นตรง مع الذين أنعم الله عليهم من ا ل ن ب ي ي ن والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك ر ف ي ق ا ذلك الفضل من الله وكفى بالله ع ل ي م ا ف و ً ا คนเหล่านี้แหละจะอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่อลัลลอฮ์ทรงกรุณาแก่พวกเขาอันได้แก่บรรดานาบับีบรรดาผู้ที่เชื่อโดยยุศดีบรรดาผู้ที่เสียชีวิตในสงครามปกป้องศาสนาและบรรดาผู้ที่ประพฤติดีและคนเหล่านี้แหละเป็นเพื่อนที่ดียิงความกรุณาดังกล่าวนั้นมาจากอาลัลลอฮ์และพอเพียงแล้วที่อลัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรอบรู้ yeah.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 แท้ إ أ ق ق ال จริงในหมู่พวกเจ้านั้นมีผู้ที่ทำชักช้าอยู่หากมีเหตุร้ายใดประสบแก่พวกเจ้าเขาก็กล่าวว่าแท้จริงอลัลลอฮ์ทรงกรุณาแก่ฉันที่ฉันไม่ได้อยู่ร่วมกับพวกเขา และถ้าหากมีความกรุณาใดๆจากเอร์ได้ประสบแก่พวกเจ้าแล้วแน่นอนเขาก็จะกล่าวประหนึกว่าไม่เคยมีความชอบพอใดๆเกิดขึ้น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 บรรดาผู้ที่อุทิศชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้ด้วยประโลภและผู้ใดสู้รบในมุทางของอัลลอฮ์และถูกฆ่าหรือได้รับชัยชนะเราใช้รางวัลอันใหญ่หลวงแก่เขา มีเหตุใดเกิดขึ้นแก่พวกเจ้ากระนั้นหรือที่พวกเจ้าไม่สู้รบในหนทางของอลอ ทั้งทๆที่บรรดาผู้ที่อ่อนแอไม่ว่าชายหรือหญิงและเด็กๆต่างกล่าวกันว่าโอ้พระผู้อวยพรของเราโปรดนําพวกเราออกจากเมืองนี้ซึ่งชาวเมืองเป็นผู้ค่มเหงําแก่และโปรดให้มีขึ้นแก่พวกเราซึ่งผู้คุ้มครองคนหนึ่งจากที่พรงุงและโปรดให้มีขึ้นแก่พวกเราซึ่งผู้ช่วยเหลือคนหนึ่งจากที่ปรุ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطغوت ف ق ا ت ل و ا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. بدأ في س ط ح ا ن. พวกเขาจะต่อสู้ในล้นทางของอลและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัตนั้นพวกเขาจะต่อสู้ในห้ท น, าา น, น, านหทางของอัตลอฮฺดังนั้นพวกเจ้าจงต่อสู้กับบรรดาสมุนของชัยตอนเถิดแท้จริงอุบายของชัยตอนนั้นอ่อนแอยิง่งอล้จะรลัิละรลิอกูัาะต้องรูทนตอนะตะองรูตูะองนว่นะอรู้ว่อูาตอวาอวะตองะตราต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 มาเจ้าไม่ได้ ม, ด ม, ไ ม, มองดูบรรดาผู้ที่ถูกกล่าวแต่พวกเขาว่าจงระงับมือของพวกเจ้าไว้ก่อนเถิดและจงปฏิบัติละหมาดจงชำระจากาศทั้นเมื่อการสู้รบได้ถูกกำหนดขึ้นแก่พวกเขา ทันใดนั้นกลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเขาก็กลัวมนุษย์เช่นเดียวกับที่กลัวหรอกหรือกลัวยิ่งกว่าและพวกเขาก็กล่าวว่าโอ้พระผู้วิบานของเราเพราะเหตุใดพระองค์จึงได้กําหนดการสู้รบเกิดขึ้นแก่พวกเราพระองค์จะทรงเลื่อนให้แก่พวกเรายังกําหนดเวลาอันใกล้มิได้หงกล่าวเถิดมือหมัดว่าสิ่งอํานวยประโยชน์แห่งโลกนี้นั้นมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่พรโลกนั้นดียิ่งกว่าสำหรับผู้ที่ยังเกรงและพวกเจ้าจะไม่ถูกอาธรรมแม้เท่าขนาด ร, านนร่องเมล็ดกินถัพพลูหาิมอลพ و إ ن ت ِ د ه م س ي ئ ة ٌ ي َ ق و ل و ا هذه من عندك قل كل من عند الله فما ل ه َ ا ؤ ل ا ء القوم لا يكادون يفقهون حدثا. ณที่ไดก็ตามที่พวกเจ้าปรากฏอยู่ความตายก็ย่อมประสบกับพวกเจ้า และแม้ว่าพวกเจ้าจะอยู่ในกล้องประการอันสูงตระหนักก็ตามและหากมีความดีใดๆประสบแก่พวกเขาพวกเขาก็จะกล่าวว่าสิ่งนี้มาจากอาลัลลอฮ์และหากมีความชั่วใดๆประสบแก่พวกเขาพวกเขาก็จะกล่าวว่าสิ่งนี้มาจากเจ้าจงกล่าวเถิดอ ม, อมูมัด์ว่าทุกอย่างนั้นมาจากอาลัลลอฮ์ทั้งสิน้นมีเหตุใดเกิดขึ้นกับกลุ่มชนเหล่านี้กระนั้นหรือ ที่พวกเขาห่างไกลที่จะเข้าใจในคาพูด <ت ص في ق> أصابك من ความดีใดๆที่ประสบแก่เจ้านั้นมาจากอ AH. ัลลอฮ์แต่ความชั่วใดๆที่ประสบแก่เจ้านั้นมาจากตัวเองเจ้าเองและเราได้ส่งเจ้าไปเป็นาศาสนทูตสำหรับมนุษย์และเพียงพอแล้วที่อ AH ัลลอฮ์ทรงเป็นพยานยืนยัน ผู้ใดเชื่อฟังรอศูลแน่นอนเขาก็เชื่อฟังอันรอแล้วและผู้ใดถึงหลังให้เราก็หาได้ส่งเจ้าไปเป็นผู้คุ้มครองพวกเขาใหม่ ويقولون قاعة فإذا برزوا من عندك بيت ق ا ئ َ ة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيت فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله و ك ي ل ا وَكِيلًا แต่เมื่อพวกเขาออกไปจากเจ้าแล้วกลุ่มหนึ่งในพวกเขาก็ได้วางแผนในเวลาตอนคืนอื่นจากสิ่งที่เจ้ากลา่าวแล้วล้อจะทรงบันทึกสิ่งที่พวกเขาวางแผนกันในเวลาตอนคืนแะนั่นจงหันเห อ, ออกจากพวกเขาเสียและจงมอบหมายแด่ล้อเถิดและพอเพียงแล้วที่ล้อเป็นผู้ที่รับมอบหมายออาา ร, ร่ะะลกน ว่าเขาได้พิจารณาดูคำพีอัลกุรานบ้างหรืและหากว่าอัลกุรานมาจากผู้ที่ไม่ใช่อัลลอฮแล้วแน่นอนพวกเขาก็จะพบ ว, ว่าในนั้นมีความขัดแย้งกันมากมายว่าอَดะจ์อัลฮุมอัมรุมมินะลัลอัมหรอิลขัฟอัลดาอِบี ولو رجوه إلى الرسول وإلى لأول الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطنه و منهم ولو لا ال ال تفضل الله عليكم ورحمةه لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً. แล้เมื่อมีเรื่องหนึ่งเรื่องใดมาถึงพวกเขาจะเป็นความปลอภดภัยหรือความตาัวก็แล้วแต่ พวกเขาก็จะแพร่มันออกไปและหากว่าพวกเขาให้มันกลับไปยังต่อสูนและยังผู้ปกครองในหมู่พวกเขาแล้วแน่นอนบรรดาผู้ที่วิจัยมันในหมู่พวกเขาก็อย่อมทราบมันได้และหากไม่ใช่ความโปรดปรานความเมตตาขอรับที่มีต่อพวกเจ้าแล้วแน่นอนพวกเจ้าก็จะคงปฏิบัติตามชัยตอนไปแล้วนอกจากเพียงจำนวนน้อยเท่านั้น فقات في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك و ح ذ ِِّ المؤمنين عسى الله أ ي ك م فبأس الذين كفروا والله أشد ب أ س وأشد وأ تنكلا จงศรัในหนทางของลอเท์โดยที่เจ้าไม่ได้ถูกบังคับให้เกณฑ์ผู้ใด นอกจากตัวของเจ้าเองและจงปลุกใจบรรดาผู้ทิศรัทธาด้วยเป็นไปได้ว่าอาลัลลอฮจะทรงยับยั้งกำลังรบของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้นแ ล, ล้วรับเป็นผู้ทรงมีกำลังที่เข้มแข็งกว่าเป็นผู้ทรงลงโทษที่รุนแรงกว่า ا ا ผู้ใดได้ความช่วเหลืออย่างดีส่วนหนึ่งจากความดีนั้นก็จะเป็นของเขาและผู้ใดได้ความช่วเหลืออย่างชั่วส่วนหนึ่งจากความชั่วนั้นก็จะเป็นของเขาและปรากฏว่าอัลลอฮ์นั้นทรงเดฉานุภาพ อ, อิลลลและเมื่อพวกเจ้าได้รับคำทักทายจะด้วยคำทักทายใดๆก็ตามก็จงกล่าวคำทักทายตอบที่ดีกว่านั้นหรือไม่ก็กล่าวคำทักทายนั้นตอบกลับไป แท้จริง Allah เป็นผู้ทรงคำนวณอ l l a h لا إله إ ل ทรงเป็นพระเจ้าซึ่งไม่มีพระเจ้าที่ควรเคารพสักการะใดๆนอกจากพระองค์เท่านั้น แน่นอนพระองค์จะทรงรวบรวมพวกเจ้าสู่วันกิยามาซึ่งไม่มีการสงสัยใดๆในวันนั้นและใครเล่าที่จะมีคำพูดจริงยิ่งไปกว่าอัน มีอะไรเกิดขึ้นแก่พวกเจ้าหรือที่พวกเจ้าในกลายเป็นสองพวกในเรื่องของพวกกลับกรอกเหล่านั้นแล้วลอได้ทรงให้พวกเขากลับสู่สภาพเดิมแล้วเนืเ่องด้วยสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้พวกเจ้าต้องการจะแนะนำผู้ที่อลอได้ทรงให้หลงผิดไปแล้วกระนั้นหรือ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 และได้เจราจาประนีประนอมกับพวกเจ้าแล้วไซอลัลลอฮก็ไม่ทรงให้ทานออกใดๆแก่พวกเจ้าที่จะขัดจักพวกเขานออารนุูะ ف ้าอิُลُมย و ะเตซิลุคุมวยَุคุุ่เลย์คุมัสเล่มวَคุ ل ่่่่่่่่ ل ่่่ ل َْ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่โดยพวกเขาปรารถนาที่จะพ้นภัยจากพวกเจ้า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 เราได้มีอำนาจอันชัดเจนแก่พวกเจ้าที่จะขจัดพวกเขา َمَا لِمُؤْمِنٍ مُؤْمِنًا َمَنْ مُؤْمِنًا مُؤْمِنَةٍ م كَانَ إِلَّا خَطَآَا أَنْ يَقْتُلَ فَتَحْرِيرُ وَدِيَتٌ قَتَلَ رَقَبَةٍ خَطَآَا س ไ م ้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 و َ إ ِ ن كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِثْاقٌ فَذِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ ف َ د ِ ي َ ة ٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ ر َ ق َ ب َ ة ٍ مُؤْمِنَةٍ ف َ م َ ن لَمْ ّ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ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 เป็นการอาไพยโทษจากอัลลอฮ์แะปรากฏว่าอัลลอ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปริชาญว่าในยัَรตุลมุเอมินัมุเตะมิดาَเจซาอู ه ه ه ه َ ه ฮันนัมฟเจซาอูเจฮันนัมุฮาริดَฟีฮาวะกัฟบัลลอฮุอะไลฮิวะลาَลَุวะอัดเดลหุอาดับะหน้าฎิมา และผู้ใดฆ่าผู้ศรัทธาโดยจงใจการตอบแทนแก่เขาก็คือนรกยังนงนัโดยที่เขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาลแล้วล้อก็ส่งเกลี้ยกลวดต่อเขาและส่งสาบแช่งเขาและได้ส่งกรรเตรียมการลงโทษอันใหญ่หลวงไว้สำหรับเขายาไอ้ฮัลดีนอามะนูอิดะบรัดตุมทีซบีลิลลาฮิฟะตบยนู فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقايلكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله م غ ا ن م ُ كثيرة كذلك كنتم من ق ْ ل فمن الله عليكم فتبينوا إن อุปสรรคทางลกลเมื่อพวกเจ้าเดินทางไปในหนทางของอลรถก็จงให้ประจักษ์ชัดเสียก่อนและจงอยากกล่าวแก่ผู้ที่กล่าวสลายแก่พวกเจ้าว่ามิใช่เป็นผู้สัพพเพื่อสแสวงหาสิ่งอำนวยประโยชน์แห่งชีวิตความเกินอยู่ในโลกนี้ แต่หน้าที่อัลลอฮ์นั้นทรงมีปัจจัยอย่างชีพอันมากมายในทำรองเดียวกันนั้นพวกเจ้าก็เคยเป็นมา ก, ก่อนแล้วอัลลอฮ์ได้ทรงโปรดปรานแก่พวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงให้ประจักษ์เสียบอดแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้ในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ لا ي س ت و ي القاعدون من المؤمنين غير أول ا ل ض ر ِ والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، أفضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، و ك ل ا وعد الله الحسناء. บรรดาผู้ที่ศรัทธาที่นั่งอยู่โดยไม่ใช่ผู้มีความเดือดร้อนและบรรดาผู้ที่ต่อสู้ในทา ง, ทางของรอดด้วยทรัพย์สมบัติในชีวิตของพวกเขานั้นหาได้เท่าเทียมกันไม่อลัลลอฮ์ทรงให้บรรดาผู้ที่ต่อสู้ได้ทรัพย์สมบัติและชีวิตของพวกเขาเหนือกว่าบรรดาผู้ที่นั่งอยู่ข่านหนึ่ง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 وَالَّذِينَ <تصفيق> <تصفيق> ت َ و َ ف ّ ا هُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِينَ فُسِهِمْ قَالُوا ف ِ م َ ك ُ ن ت ُ م ْ قَالُوا كُنَّا م ُ س ْ ض َ ع َ ف ِ ي ن َ فِي الْأَرْضِ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 พวกเขากล่าวว่าพวกเราเป็นผู้อ่อนแอในแผ่นดินมาเลย์กากล่าวว่าแผ่นดินของอัลลอฮ์ไม่ได้กว้างขวางดอกหนึ่ที่พวกเจ้าจะอพยพไปอยู่ในนั้นชนเหล่านี้แหละที่อยู่ของพวกเขาคือนรกยานละ่ะโดยเป็นที่กลับไปอันชั่วร้ายยิ่ง إ ل ا ا ل م ُستَضعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ و َ ا ل ن ِ س َ ا ء ِ و َ ا ل و ل ْ د ا ن ِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ح ِ ي ل َ ة لَا يَسْتَطِيعُونَ ح ِ ي ل َ ت َ ه وَلَا يَهْتَدُونَ س َ ع ِ ي ل َ ا ت นอกจากบรรดาผู้ที่อ่อนแอไม่ว่าจะเป็นชายหญิงและเด็กก็ตาม ที่ไม่สามารถมีอุบายใดๆไ ด, ๆได้และไม่ได้รับการนำทางอีกด้วยออลชนเหล่านี้แหละอัลลอ์อาจจะทรงยกโทษให้แก่พวกเขาและอัลลอ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัย وَمَن يُهَاجِد فِي سَبِيلِ اللَّهِ ي َ ج ِ د فِي الْأَرْضِ مُرَاضَمًا كَفِيرًا وَسَعَهُ وَمَن يَخْرُج مِن د َ ي ْ ت ِ ه ِ مُهَاجِرًا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ تُمَّ ي ُ د ْ ر ِ ك ُ الْمَوْتُ ت ُّ ي ُ د ْ ر ِ ك ه ُ الْمَوْتُ فَقَد وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ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 ผลตอบแทนของเขานั้นย่อมปรากฏอยู่แล้วน้อัลลอฮ์และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ รั น, าานู า, มมนาแล้งพวกเจ้าเดินทางไปใ น, นผืนแผ่นดินก็ไม่มีบาปใดๆแก่พวกเจ้าในการที่จะย่อละหมาดหากพวกเจ้ากลัวบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาจะคลมเหงรังแกพวกเจ้าถ้าจริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นเคยเป็นศัตรูอันชัดเจน <تصفيق> وَإِذَا ك ُ ل ْ ت َ ف ِ ي ه ِ م ف َ أ ق َ م ت َ ل َ ه ُ م ا ل ص َّ ل ا ة َ ف َ ل ت َ ق ُ م ْ ط َ ا ئ ِ ف َ ة م ِ ن ه ُ م م ع ك ف َ ل ت َ ق ُ م ْ ط َ ا ئ ِ ف َ ة م ِ ن ْ ه ُ م م ع َ ك َ و َ ا ل ي َ أ ْ خ ُ ذ ُ أ َ س ل ِ ح َ ت َ ه ُ م فإذا سجدوا فليكونوا من و ر ا ئ ك م والتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، و ل ي أ خ ذ و ا حذرهم وأسلحتهم، والذين د كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أدم من مطر أو كنتم مضاع أن تضعوا أسلحةكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذاب ا مهين ل เมื่อเจ้าอยู่ในหมู่พวกเขาและเจ้าได้มีการละมาดขึ้นแก่พวกเขา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 ที่ยังความอยพยศแก่ผู้ที่ปฏิเสธศักขาทธทั้งหลาย فإذا قضيت الصلاة فذكر الله قيامه وقعوده على جنوبكم فإذا طمأنتم فأقيموا ل ص ل ا, ا, إ, أ, أ ة إن الصلاة ك ا ن ع ل المؤمنين كتابا موقتا ท่านเมื่อพบเจ้าเสร็จจากการละมาดแล้ว ก็จงรำลึกถึงอัลลอ์ทั้งในสภาพยืนนั่งและในสภาพที่พวกเจ้านอนเอกเหน็ดท่านเมื่อพวกเจ้าปลอดภัยแล้วก็จงปฏิบัติละหมาดแท้จริงก า, ารละหมาดนั้นเป็นบัญญัติที่ถูกกำหนดเวลาไว้แก่ผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายลาบ อินตะคูนู تألمون ฟะินนหุมย ألمون คมา تألمون วะเธอรจูนมินัลล้าฮิมาลายรจูนวะแค่นัลล้าวอลีมันฮีมาและพวกเจ้าจงอย่าทอแท้ในการแสวงหากลุ่มชนนั้นถ้าหากพวกเจ้าเจ็บที่จริงแล้วพวกเขาก็เจ็บเช่นเดียวกับพวกเจ้า แต่พวกเจ้าหวังจากขล้อสิ่งที่พวกเขาไม่หวังและล้อ น, นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปริชาญอินน์อัน ز ل ل ي ك الكتاب بالحق ل ح ك ب ن س بما أ الله ولا تكلل ا ل เราได้ประทานคมพีลงมาให้แก่เจ้าเป็นความสั์จริเพื่อเจ้าจะได้ใช้ตัดสินระหว่างผู้คนตามที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้เจ้าทราบและเจ้าจงอยาเป็นผู้เถียงแก้ต่างให้แก่บรรดาผู้ที่บุพผิ้วทั้งหลายและเจ้าจงขออภัยต่อลอเถิดแท้จริงนั้นอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ ولا ان أن الله َلَا تُجَادِلْ عَلِ اللَّذِينَ يَخْتَانُونَ يُحِبْبُ خَوْوَانًا أَنْفُسَهُمْ اللَّهَ مَنْ كَانَ และเจ้าจงอย่าโตเถียงแทนบรรดาผู้ที่บิดพลิวต่อตัวของพวกเขาเองแท้จริงอัลลอ์นั้นไม่ทรงชอบผู้ที่บิดพลิวผู้ที่ทำบาป <c oughs> <c oughs>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 กับพวกเขาด้วยขณะที่พวกเขาวางแผนกันในเวลากลาคืนซึ่งคําพูดที่พระงไม่ทรงพอพระทยัยและอลัล น, นั้นสรงล้อมสิ่งที่พวกเขากระทําไว้เสมอฮาอันตุมฮาอุลายะจาดัลตุมอันหุมฟิลฮายาติดุนยา ฟั่งยูจลลล์ัมยมลิยามัมมยคัิมวลาพงรู้รเถิดว่าพวกเจ้านี่แหละได้เถียงแทนพวกเขาในชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้แล้วใครเล่าที่จะเถียงกับอัลลอฮ์แทนพวกเขาในวันกียามะหรือว่าใครเล่าที่จะเป็นผู้รับมอบหมาย ผู้ใดที่กระทำความชั่วหรืออธรรมแก่ตนเองแล้วเขาขออภัยต่ออัลลอ์เขาก็จะพบว่าอัลลอ์นั้นเป็นผู้ทรงให้อภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ يَكْسِبِ إِثْمَانْ يَكْسِبُهُ عَلَىٰ عَلِيمًا اللَّهُ ผู้ใดที่แสวงหาบาปกําเอาไว้ถ้าจริงแล้วเขาแสวงหามันไว้ให้เป็นไัยแก่ตัวของเขาเองเท่านั้น แล้วร้อนนั้นเป็นผู้ทรงรับรู้ผู้ทรงปริชาญาแล้วผู้ใดแสวงหาความผิดหรือบาปกรรมเอาไว้แล้วก็โยนบาปกรรมนั้นให้แก่ผู้ที่บริสุทธิ์แน่นอน เขาได้แบบความเพลและบาปกรรมอันชัดเจนไว้แล้ว หากไม่มีความกรุณาของอัลลอฮ์และความเมตตาของพระองค์แก่เจ้าแน่นอนกลุ่มหนึ่งจากพวกเขาก็มุ่งที่จะให้เจ้าหลงผิดไปแต่พวกเขาจะไม่ทาให้ใครหลงผิดไปได้นอกจากตัวของพวกเขาเอง และพวกเขาก็จะไม่ทําอันตรายใดๆแก่เจ้าแต่อย่างใด แ, แล้วเราได้ทรงประทานคัมภีร์ลงมาให้แก่เจ้าและความเข้าใจในบทบัญญัติแห่งคัมภีร์นั้นด้วยและได้ทรงสอนเจ้าในสิ่งที่เจ้าไม่เคยรู้มาก่อนและปรากฏว่าความกรุณาของอัลลอฮ์ที่มีแก่เจ้านั้นใหญ่มาครีกีร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 หรือให้ประณีประนอมระหว่างผู้คนเท่านั้นและผู้ใดที่กระทำดังกล่าวเพื่อสแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์แล้วเราจะให้รางวัลอันใหญ่หลวงแก่เขา น, ลลลลาานและผู้ใดที่ฝ่าฝืนหล่อหลวมหลังจากที่ทานนำมันถูกต้องได้ประจักษ์แก่เขาแล้วและเขายังปฏิบัติตามที่ไม่ใช่ทางของบรรดาผูธธ้ทีศรัทาเราก็ให้เขาหันไปตามที่เขาได้หันไปและเราให้เขาเข้านรกอย่างนโดยที่มันเป็นที่กลับอันเลวร้ายยิ่ง อถ้าจิมมาริล์ตจะไม่ส่งอพัยโทษให้แก่การที่สิ่งหนึ่งจะถูกนำมาเป็นภาทีแก่พระองค์แต่จะส่งอภัยโทษให้สิ่งอื่นจากสิ่งนั้น สำหรับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และผู้ใดให้มีภาธีขึ้นแกวลองแล้วแน่นอนเขาก็ได้หลงทางไปแล้วอย่างไรพวกเขาจะไม่มงวอนขออื่นจากพระองค์นอกจากเจ้เวทหญิง และพวกเขาจะไม่วิ่งวอลขอนอกจากไซตอนที่ดื้อันเท่านั้นละ على الله وقال ل ت خ ن من عبادك نصيبا مفروضا ทั้งเรารได้ส่งสาบแช่งมาแล้วและมันได้กล่าวว่าแน่นอนยิ่งฉันจะเอาจากพวกบาวของพระองค์ให้ได้ <تصفيق> ولأ ُِ ل َّ ن ه م ولأ ََ من ينهم ُ و َ ل َ آ م ُ ر ن ه ُ م ف َ ل َ يبتكن ُ آ ذ ا َ الأنعام و ل آ م ر ن ه م ف َ ل َ يغير ََُّ خلق ََ الله.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 และชัยตอนจะไม่เอาสัญญานอกจากการหลอกลวงนละะว า, า น, นาาาชนเหล่านี้แหละที่อยู่ของพวกเขาคือนรกยา น, นและพวกเขาจะไม่พบทางรอดใดๆให้พ้นจากมันไปไหนช น, น ال ที่ลอามนูและทำสิ่งที่ชะนั้นข้าไุมจันน และบัรดาผู้ที่สัทธาและกระทำความดีทั้งหลายนั้นเราให้พวกเขาเข้าสวนสวรรค์ ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลยอยู่เบื้องล่างนั้นโดยที่พวกเขาจเจาะงักอยู่ในนั้นตลอดกาลเป็นสัญญาของ้อนดอย่างแท้จริงและใครเล่าที่มีคำพูดจริงยิ่งไปกว่าลอร์ู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 จะมีาศาสนาดียิ่งไปกว่าผู้ที่มอบใบหน้าของเขาให้เจา้าล้อโดยที่เขาเป็นผู้กระทำความดีและปฏิบัติตามแนวทางของอิบราฮิมเพื่อใปหหาความถิ่และล้อได้ถือเอาอิบราฮิมเป็นเ า, า, ลล า, าฟายมม และสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของอัลลอ์และอัลลอฮ์นั้นทรงล้อมจุ่มชินงไวี التي لا ت ؤ ت و ن ه ن ما كُتِبَ لهم و َ ت َ غ ْ و ن َ أ َ ن ت َ ك ِ ح ُ ه ُ ن و َ ا ل ْ م ُ س ت َ ب َ ا ط ي ن َ مِنَ ا ل و ِ ل د َ ا ن ِ و َ أ َ ن ت َ ق و م ُ ا ل ل ي ت َ ا م َ ى ب ِ ا ل ق ِ س ط وَمَا ت َ ف ع ل و ا م ِ ن خ َ ي ْ ر فَإِنَّ ا ل ل َّ ه كَانَ بِهِ ع َ ل ي م ا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 และในการที่พวกเจ้าจะดมองไว้ซึ่งความยุติธรรมแก่บรรดาเด็กกําพราและความดีใดๆที่พวกเจ้ากระทาไปนั้นแท้จริงอัลลอส์ทรงรู้ถึงความดีนั้น และศุลพ خير وأحضرت الآفس الشح وإن تحسن وتتقف إن الله وإن تحسن وتتقف إن الله كان بما تعملون خبيرا. แล้วผูหญิงได้เกรงว่าจะมีการเย็นชาหรือม right, ีการถินหลังให้จากสามีของนางแล้ว ก็ไม่มีบาปใดๆแก่ทั้งสองที่จะตกลงประนีประนอมกันอย่างใดอย่างหนึง่งแต่การประนีประนอมนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ดีกว่าและใจิตใจของคนนั้นถูกให้มีความตรนีแล้วและหากเจ้ากระทำดีและมีความจังเกรงต่ออัลลอฮ์แล้วแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรู้อย่างถี่ถ้วนในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ ولن تستطيع أن تعدل بين النساء ولو حرستم فلا تميل كل الميل فتدروها كالملقاة وإن تصلحوا وتتقف إن الله ك ا ن غفور ا ل جاوة <تصفيق> ر و ن ح ي لئي และเมาว่าพวกเจ้าจะมีความปรารถนาอะแรงกล้าก็ถามดานั้นพวกเจ้าจงอย่าเอียงไปจงหมดและพวกเจ้าก็จะปล่อยบรรดาผู้ที่ถูกทอดทิ้งนั้นประนึ่งถูกแขวนไว้และหากพวกเจ้าประนีประนอมกันและมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์แล้วแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอวอิยยาากุุ น, รรนลลม ว่ากัลออันขมาและหาทั้งสองนั้นจะแยกกันอัลลอก็จะส่งให้ความเพียงพอแก่เขาทงจากความรํามวยของโปรกและอัลลอนั้นเป็นผู้ทรงกว้างขวาผู้ทรงปรชายาวลิลหมาที่สมาวันที่ว่ามากกินออกบ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا نَعُوتُ وَإِيَّاكُمْ اتَّقُوا وَإِن تَكْفُرُوا السَّمَاوَاتِ الَّذِي الْكِتَابَ قَبْلِكُمْ اللَّهِ لِلَّهِ الْأَرْضِ اللَّهُ مِنْ أَنِ فَإِنَّ وَكَانَ مَا และสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแันดินนั้นเป็นสิทธิของอัลลอ และแท้จริงเราได้สั่งเสียไว้แก่บรรดาผู้ที ismus, vale ่ได้ร ah. ับคัมภีร์ก่อนจากพวกเจ้าและพวกเจ้าเลยว่าจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดและหากว่าพวกเจ้าปฏิเสธศรัทธาแท้จริงสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์แต่ปรากฏว่าลอ้นนั้นเป็นผู้ทรงร่ำรวยผู้ทรงได้รับการสรรเสริววบลลี สิ่งที่อยู่ในปราดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์และพอเพียงแล้วที่อัลลอฮ์ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้คุมครองภาษาอียะชะยุะเห็นคุมไอ้ยุหฮันนาสวยาตีบอัครีน وكان ا ل ล ه, ه ال على ذ ل า ق د ลิกะกดพระองค์ทรงประสงค์แล้วลราก็จะทรงให้พวกเจ้าทั้งหมดไปโอ้มนุษย์เอ๋ย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 بس وليل. بس وليل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين َ ب ا ل ق ِ شهداء لله شهداء لله ولو ََ على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. إ ي كل غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا ا ل ه و ا ن ت ع ِ ل و وإن تلو أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. <تصفيق> เป็นผู้ดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมจงเป็นพยานเพื่ออโลและแม้ว่าจะเป็นภัยแก่ตัวเจ้าเองหรือผู้บังเกิดก้าวทั้งสองและญาติที่ใกล้คิดก็ตามหากเขาจะเป็นคนมัง่งมีหรือคนยากจนอโลก็สมควรยิ่งกว่าทั้งสองกรณีดังนั้นจงอยากปฏิบัติตามความใข้ไฝต่ำในการที่พวกเจ้าจะยุติธรรมและหากพวกเจ้าเล่นลิ้นหรือผลหลังให้ แท้จริงกันหรือทรงรบรู้อย่างที่ถ้วนในสิ่งที่พวกเจ้าประทับยาไอุฮัลลัติน أَمِنُوا أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ و َْ ك ِ ت َ ا ب ِّ ذ ي ن َ ز َ ل ع َ ر َ س ُ و ل ِ وَالْكِتَابِ ّ ي نَزَلَ ع َ ل َ ر َ س ُ و ل ِ ه و َ ا ْ ك ِ ت َ ا ب ِّ ذ أ َ ز َ ل َ م ِ ق َ ว <ت ص في ق> เมนี่อัฟซุบุลลอฮิวมานาอิค์ทีฮ الي ยุมอ ا ลอาิว الي ย م มอัลอาฮิร์ฟ ل น ل นะเบิดาโอ้ผู้ศัทธาทั้งหลายจงสัทธาต่อร่องและรอศูนของพระองค์และคำพีที่พระองค์ได้ประทานลงมาแก่รอสูนของพระองค์และคำพีที่พระองค์ได้ประทานลงมาก่อนนั้น และถ้าผู้ใดปฏิเสธศรัทธาต่อหลองและมาลิกาของปรุงและบรรดาคำพีของพรุงและบรรดารอซูลของปรุงและวันประโลและไซแน่นอนเขาได้หลงทางไปแล้วอย่างไกลอนะอินนัลลัตนอามันุทุม ถ้าจริงบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วปฏิเสธศรัทธาแล้วศรัทธาแล้วปฏิเสธศรัทธาแล้วเพิ่มการปฏิเสธศรัทธายิ่งขึ้นนั้น เชื่อว่าเราจะทรงอภัยโทษพวกเขาก็อนหน่ามและเชื่อว่าพระองค์จะทรงให้ทางนำทางใดให้แก่พวกเขาก้อ น, น่อนมนานนมไว้ จ, จุมเจนข่าวดีกับบรรดาผู้ที่กลับกรอดเกิดว่าแท้จริงพวกเขาจะถูกลงโทษอย่างเจ็บแสบ บรรดาผู้ที่ยึดเอาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเป็นนิตยอื่นจากผู้ศรัทธาทหลายนั้นพวกเขาจะแสวงหาอำนาจที่พวกเขากระนั้นหรือ แท้จริงอำนาจนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ทั้งหมด。وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي, <ق> علي في الْكِتَابِ أ ن إ س م ِ ع ت ُ م آ ي ا ت ا ل ل ه ي ُ ك ب ه و َ س ت َ ه ز َ أ ب, أن إ م م آ ب, ه, أ ب ه أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ ب ِ ه و َ ي س ْ ت َ ه ْ ز َ ب ه ف َ ل ا ت َ ق ُْ م ع ه ُ ح ت ى ي َ خ و ض ُ ف ي ح ي غ َ ر ِ إ แท้จริง a ลล a h ได้ทรงประทานลงมาแก่พวกเจ้าในคำขี่ว่าเมื่อพวกเจ้าได้ยินบรรดาองค์การขอล้อเล่านั้นถูกปฏิเสธศรัทธาและถูกเย้ยหยันแต่นั้นพวกเจ้าจงอย่านั่งร่วมกับพวกเขาจนกว่าพวกเขาจะพูดคุยกันในเรื่องอื่น ถ้าจริงพวกเจ้านั้นถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็เหมือนกับพวกเขาถ้าจริงอัลลอฮ์จะทรงรวบรวมบร ร, รดาผู้ที่กลับกรอกและบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาไว้ในนรกอย่างยบทั้งหมดูลที่ยะรับดนบิคุณแต่กานั้คุณัทถุมมินอัลลอฮคกล่าลวมาคุณรู้ม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 และเราจะไม่ส่งให้บรรดาผู้ทีป่ปฏิเสธศรัทธามีทางใดเหนือบรรดาผู้ที่ศรัทธาเป็นอันขาอินนัลมุน اثقين يخادعون الله وهو خادعهم و إ อ ا قاموا إلى الصلاة ق ا า و ا ح า ل น ي ر น ؤ ن الناس ولا يذكرون الله إلا ق ลีลา ถ้าจึงบรรดาผู้กลับกรอกนั้นกำลังหลอกลวงอัลลอฮ์อยู่ขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงหลอกลวงพวกเขาและเมื่อพวกเขาลุกขึ้นไปละหมาดพวกเขาก็ลุกไปในสภาพที่เกลียดคร้านโดยให้ทุกคนเห็นเท่านั้นและพวกเขาจะไม่กล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์นอกจากเพียงเล็กน้อยเท่านั้น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 เจออ้าก็จะไม่พบทางรอดใดๆสำหรับเขกกนังคายาเอเยลีนาอมนุ้วะเสด็จคาฟิรินเอาลี่ามลนอิลมุมินีลอรดนอันะเจ้าลูลลฮอะลัยกุมสุลตานัมมบีนาโอสถานทั้งหลาย จงอย่าได้ยึดเอาบันดาพูดที่ปฏิเสธศรัทธาเป็นมิตรโดยไม่เอาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกเจ้าต้องการที่จะให้อัลารยมีหลักฐานอันชัดเจนจัดการพวกเจ้ากระนั้นหรือแท้จริงบรรดาพูดที่กลับกรอกนั้นอยู่ในชั้นต่ำสุดของนรก และเจ้าจะไม่พบผู้ช่วยเหลือใดๆแก่พวกเขาเป็นักาอลลาะไม่พบผู oh ้ชวเใๆแก่พวกเขาเป็น oh. ันอัลลอฮฺขาพเจ้าจะม่บผูลือใดวาเป็นหลักฐนอฮฺจาจมบลานักานอลาพเจาจมบผูดกวาลัอัลลอฮมบผู้ช่เือ่านหกานอ้จาผู้่อดกเลักฐนั้เกวือบตัว และปรับปรุงแก้ไขและยึดมั่นต่อเราและได้ความบริสุทธิ์ใจต่อเราในการนับถือศาสนาของพวกเขาโดยสิ้นเชิงจนพวกนี้แหละจะอยู่ร่วมกับบรรดาผู้สัปธานแล้วเราจะทรงประทานรางวัลอันยิ่งใหญ่แก่ผู้ที่สัปหันทั้งหลายมาย้าอลอฮฺประดาบคุมอิชะกบุสมวแอมันตุมว่าแอลอฮชักนนอาลีมา อัลลอา์จะทำการลงโทษแก่พวกเจ้าทำไมหาพวกเจ้ากตัญญูและสภาและปรากฏว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงขอบใจผู้ทรงรับรูลยุบอัลลอฮุล่จฮรบอิสลูสมินอัลกอรใอิลลามงนดลิมนค ا า أَلْلَهُ س َีอ ي ع ً ا لِمَا أَلْلَهُ م ِ ن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 َّذِينَ يَكْفُرُونَ وَيُرِيدُونَ يُقَرِّقُوا بَيْنَ وَيَقُولُونَ أَنْ نُؤْمِنُ وَنَكْفُرُ وَيُرِيدُونَ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ بِاللَّهِ بِبَعْضٍ بِبَعْضٍ اللَّهِ يَتَّخِدُوا แท้จริงบรَดาผَ้ปฏิเสธศรัทธาขอร้อง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 فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهره فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم ا ت خ ذ و العجل ا من بعد ما جاءتهم البينات تعفونا عن ذلك وأتينا موسى سلطانا مبينا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 َبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى بُهْتَانًا และเนื่องจากการที่พวกเขาปฏิเสธสภาและกล่าวให้ร้ายแก่มรรยะซึ่งความเท็จอันใหญ่หลวَแล و กลِาวว่าอินَ่า قتلنا المسيح ابن َ مريم ََ رسول َُ الله وما َ قتلوه ََُ وما ََ صلبوه َُ ولكن شبه لهم َإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِنَ مِّنْهِ الظَّنِّ การที่ إ ا พวกเขากล่าวว่าแท้จริงพวกเราได้ฆ่าอัลมาซีอีสซาบุตรของมารยาห์รอซูลของอัลลอฮ์และพวกเขาหาได้ฆ่าอีซา และหาได้ตรึงเขาบนไม้กานเขนใหม่แต่เพะว่าเขาถูกทำให้เหมือนแก่พวกเขาและแท้จริงบรรดาผู้ที่ขัดแย้งในตัวเขานั้นแน่นอนย่อมอยู่ในความสงสัยเกี่ยวกับเขาพวกเขาหาได้มีความรู้ใดๆต่อเขาไม่นอกจากคล้อยตามความลึกคิดเท่านั้นและพวกเขาไม่ได้ฆ่าเขาอย่างแน่นออนลล َكَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا หาไม่ได้อัลลอะได้ส่งยกเขาคืออีชาขึ้นไปยังพระองค์ทางอาและปรากฏอบว่าอัลลอ์นั้นเป็นผู้ส่งเดชาลุภาพผู้ส่งปรีชายาว่าิมมินอัลฮ์ลิอัลกิตาบอิลลาเลียมินอันบิฮิับล์โมติฮิวาย وم อัลกิยามติย์คูนุอัลเลหชีฮิด ไม่มีชาวคัามผีคนใดนอกจากเขาจะต้องสัปทาแน่นอนต่อท่านนาบีอีสาห์ก่อนที่เขาจะตายแล้ววันกิยามานั้นอีสาห์จะเป็นพยานยืนยันแก่พวกเท้าเหล่านั้ น, มม น, ลลนรอร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 ถ้าจริงเราได้มีองค์การแก่เจ้าเช่นเดียวกับที่เราได้มีองค์การแก่วัวและบรรดานับีหลังจากเขาและเราได้มีองค์การแก่อิบราฮิมและอิสมาอิลและอิสฮะและยาคูและบรรดาวงวาเหล่านั้นและอีสซาและไอยุและยูนุสและฮารู และสุไลมานและเราได้ประทานทัท้ีแจ้าบุตแก่กา ق ด ق ص ص าวาุฒิและมีบรรดาศาสนทูตซึ่งเราได้เล่าถึงพวกเขาก่อนเจ้ามาก่อนแล้วและมีบรรดาศาสนทูตซึ่งเราไม่ได้เล่าแก่เจ้าเกี่ยวกับพวกเขา ร, ร ก, ก่นสุลลัมมุบัชรีนแะมุนดิรีนัล่าิห้คนอื่นรู้คือบรรดาศาสนาทูตในฐานะผู้แจ้งข่าวดีและในฐานะผู้แจ้งข่าวร้ายเพื่อว่ามนุษย์จะได้ไม่มีหลักฐานใดๆอ้างแก้ตัวแกะ หลังจากบรรดาศาสน า, าูตเหล่านั้นก็ปรากฏว่าอลัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชารูปภาพผู้ทรงปริชายาอ วต่ถ้ า, าอัลลอฮ์นั้นทรงดืนยันยในสิ่งที่พระองค์ได้ประทานลงมากแก่เจ้าพอพระองค์ได้ทรงประทานสิ่งนั้นลงมาด้วยความรู้ของพระองค์และมาลายกาก็ยืนยันด้วยและเพียงพอแล้วที่อลัลลอฮทรงเป็นพยานยืนยัน إ ท้จّิงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและขัดขวางทางอันแน่นอนได้ลลากออลลูะดัน ا ل ا ل ا ي د ا แทจริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและขัดขวางทางขอรนนั้นแน่นอนพวกเขาได้หลงทางไปแล้วอย่างไกลอีَอินั้ลลัตินัคฟารูวะซดดูอัน سبيل الله لِيَغْفِرَ ل و لي ا ظ َ ل َ ا د ا ي د า บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและอาธรรมแก่นตนเองนั้นใช่ว่าอัลลอฮจะสรงให้อภัยโทษให้แก่พวกเขาก็หาใหมา่แล้วก็ใช่ว่าพระองค์จะส่งแนะนำแก่พวกเขาซึ่งทางหนีใดๆม่อหาใหม่นอกจากทางแห่งนรกยานนำเท่านั้ใ น, ใ น, ใน โดยที่พวกเขาจะอยู่ในนั้นตอดกาและนั่นเป็นสิ่งง่ายดายแก่อลลอฮ์เหลือเกินย่าอิฮันนสดจาุม ا ل ก ا ل ح ق للربكم فأأمنوا خير لكم و َّ ا ت َ ك ف ُ ر ُ و ا إ ن َّ ل ل ه ما في ا ل س َّ م و ا ت ِ و َ ا ل أ َ ر ض ِ وكانَ اللهُ عليماً حكيماً อุมุทั้งหลาย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 ว่าลَต و ลุ่มทั้งสามอันท ل ่เขาช ل ยรัลล ا ค์อินนَมอัลลอ ا ل อิลลัฮ و و َหิดส ي บฮ ا าลَ ك ฺเ ب ย ل ِ่ و นลัฮูวลาดทั้งหลายจงอย่าทาให้เกินขอบเทตในาศาสนาของพวกเจ้า และจงอย่า ก, กล่าวเกี่ยวกับอัลลอฮ์นอกจากเรื่องที่เป็นจริงเท่านั้นแท้จริงอัลมาซียอิชาบุตรของมารยามนั้นเป็นเพียงศาสนาูดของอัลลอ์และเป็นเพียงดำดัดของพระองค์ที่ได้กล่าวแก่มารยัมและเป็นเพียงวิญญาณหนึ่งจากพระองค์เท่านั้นดังนั้นจงศรัทธาต่ออัลละ์และบรรดาศาสนาูดของพระองค์เถิด แต่จงอย่า ก, กล่าวว่าสามองค์เลยจงหยุดพูดเสือเถิดมันเป็นความดียิ่งแก่พวกเจ้าถ้าจริงหรอเป็นพระเจ้าที่สมควรได้รับการทรรศการะแต่เพียงองค์เดียเท่านั้นพระองค์ทรงบริสุทธิ์จากการที่ทรงมีพระบุตรสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของพระองค์ทั้งสิน้น และเพียงพอแล้วที่อัลลอฮ์เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้คุม้มครองลอิยาสัลกิฟั l m أي ك و ن عبدا لله وللملائكة ا ل م ق ر ب و َ م َ ي ت َ ك ْ ف ع َ ب ا د ت ِ ه و َ ي س ت َ ك ْ ب س َ ي ح ش ر ُ ه ُ م إ ل َ ه ج َ ن ِ ي ع ا จะไม่หญิงยะโสเป็นอันขาดทิ่จะเป็นบ่าวของเราและมาเลายอ์อะผู้ใกล้ชิดพรหมก็ไม่หญิงยะโสด้วยและผู้ใดหญิงยะโสต่อการที่จะเคารพสการะต่อพรหมและยะโสแล้วพรหมก็จะทรงรวบรวมพวกเขาไว้อย่างพรหมทั้งหมด فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ف ي و َ ف ِّ ي ه م أجرهم و ويزيدهم من ْ ل ِ ه وأما الذين س ت ن ك و ا واستكبروا فيُعذبهم عذابا أليما.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 แน่นอนได้มีหลักฐานจากพระผู้บานของพวกเจ้ามาอย่างพวกเจ้าแล้วและเราได้ประทานแสงสว่างอันแจ่มแจ้งลงมาให้แก่พวกเจ้าด้วยลล่มรทนหััว ส, ส, ส่วนบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อลอและยึดมั่นต่อพระองค์นั้นพระองค์จะทรงให้พวกเขาเข้าอยู่ในความเป็นดูเมตตาและความโปรดปรานของพระองค์และทรงแนะนำพวกเขาซึ่งทางอันเที่ยงตรงไปสู่พระองค์ يستفسونك قل الله يفتيكم في الكلاله إن م ُ ؤ ن ه َ ك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرتها إن لم يكن لها ولد فإن كانت ثنتين فله مثقلتان مما ترك وإن كانوا إخوة ر ج ا ل ا ونساء فلذك رمت رحظ ا ل أ ث َ ي ن يبين الله لكم أن تظلوا والله بكل شيء عليم. เขาเหล่านั้นจะคอยเจ้าชี้ขาดปัญหาตรงกล่าวถือว่า